ส่วนคาถาที่23พระประเจกอีกองค์หนึ่งท่านบอกว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาราณสีขณะที่พระองค์กระทำประทักษิณท่ น, รนครอยู่ด้วยอนุภาพแห่งพระราชาอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็เห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขนข้าวเปลือกเก่าเป็นต้นออกจากยุ่งฉางไว้ในภายนอกก็เลยตรัสถามอมัดว่าดูก่อนพนายนี่อะไรกันคือเขาขนข้าวออกไปเนี่ยขนข้าวเก่าออกไปนี่ห ม, มายถึงว่าอย่างไง อมาทั้งหลายก็กราบทูลว่าบัตรนี้เข้าเปลือกใหม่จะเกิดขึ้นมนุษย์เหล่านี้จักทิ้งข้าเปลือกเก่าเพื่อทำที่ว่างสำหรับข้าเปลือกใหม่เหล่านั้นพระราชาก็ถามว่าพนายวัตถุสำหรับนางสนมและผลนิกายเป็นต้นเนี่ยบริบูรณ์นะใช่ไหมอย่างนั้นมหาราชบริบูรณ์แล้วดูก่อนพนายถ้าอย่างนั้นจงให้สร้างโรงทานเราจักให้ทานอย่าให้ข้าเปลือกเหล่านี้เสียไปเปล่า ก็คือพร้อมเป็นของวังหลวงเนี่ยนะทุกคนมีอาหารสมบูรณ์้วใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนข้าวเอานี้ดีกว่าไปสีแล้วก็สร้างโรงทานเลยอามาตผู้เป็นมิจฉาทิตฐิคนหนึ่งก็กราบทูลว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลไม่มีผลพระเจ้าข้าให้ทำไมมีประโยชน์ไม่ได้บุญกุศลอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะทั้งพานทั้งมันดิตทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดเล่นไปท่องเที่ยวไป ในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ก็เลยห้ามราพระราชาพระองค์ไม่ต้องทําบุญรอกพระเจ้าค่ะก็คือเหมือนอะไรพวกนี้มีความคิดว่าเหมือนกับใครเคยถักไหมพรมบ้างนะถักไปถักไ ป, ถ, กไปถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดม้วนเองใช่ไหมพวกนี้ก็คิดแบบนั้นอนะ่ะเดี๋ยวใช่ไปใช้ไปอยู่สังสารวัตรนะเวียนไหวตายเกิดในที่สุดก็ปรินิพานกันหมดจบสิน้นเนี่ยนะก็จบสิ้นกันหมดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปถึงสักวันหนึ่งก็จบเลยสมัยนี้เขาเชื่อกันเยอะนะ มันจะจบอะไรง่ายขนาดนั้นมันไม่จบด้วยมรมีองแปดไม่คิดจะเจริญมรมีองแปดเอาอะไรมาจบนี่จบร้องแต่บางคนพวกกลุ่มเนี้ยกลุ่มลัทธิเหล่านี้บอกเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดผางสักวันหนึ่งจนได้ไม่มีมรองแปดเลยจะบรรลุอะไรได้ไม่มีมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะไมะ่ส่วนอมาตะคนนี้เขบอกไม่จําเป็นต้องให้ทานห้ามพระราชาพระราชาก็บอกว่าให้ทานเธอแม้ครั้งที่หนึ่งแ ม, แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามถ้าพระองค์ก็ เห็นคนทั้งหลายเยอะแย่ยุ้งฉางแล้วก็ตรัสสั่งอย่างนั้นเหมือนกันก็คือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะให้ทานเถอะอามาตตก็เจ้ามิชฉา่นทิฏฐิห้ามพระองค์ถึงสามครั้งว่าการให้ทานเนี่ยคนห้โง่บัญญัติเอาไว้คนฉลาดเป็นคนรับคนโง่นั้นคิดอะไรไม่เป็นเนี่ยโอ้ยเสียเวลากว่าจะหามาได้ไปให้ทานฟรีไอ้คนรับไม่ได้ทําอะไรก็ช่วยเอาไปเลยอย่างนี้นะมีประโยชน์อะไรพระเจ้าค่ะ พระองค์ก็เบื่อหน่ายว่าเราไม่ได้ให้แม้กระทั่งของตอนเองเรานี่เป็นพระราชาสั่งให้ทานไม่ได้อะโอ้ยนายเนยา ย, า ย, ายเต็มทีเลยใช่ไปกติเนี่ยหมายว่าใครเเจ้าของกันแน่เนี่ยลูกน้องห้ามก็เจ้านายก็หยุดปโยชนนะนะก็เลยเรานี่จะมีประโยชน์อะไรกับสหายผู้ลามมกเห็นบาร น, น, า น, นี้เบื่อหน่ายเลยนะเาะเพื่อนเลวขนาดนี้นคบไม่ได้แล้ววะก น, นก็เลยสละราชสมบัติพนวดเลย วัวแล้วก็เจริญวิปัสนาทําให้แจ้งปัจเจกโพธิยานสแสดงว่าเรื่องเรื่องเพื่อนชั่วคนนั้นนี่มันประทับใจของท่านสุดสุดสุดซึ้งเลยประมาณนั้นเลยสุดซึ้งเนี่ยถ้าภาษาการทูดแต่สุดซึ้งแล้วว่ามองโห้มันจัดสุดๆเลยนะมันสุดๆเลยแหละตําหนิจริงๆอะนะสแสดงว่าถ้าพูดแบบคารว่าก็เครียดกับคนนี้จริงๆเลยแหละก็เลยอุทานว่าปาปังสหายยังประวัติเยถาปราณนั้นอนัทธทัศสิงวิสมนิวิถัง สยังนะเสเวปะสุตังปมัตตังเอโกเจเรฆะวิสารกัโปโตกุลบรพึงเวน้นสหายผู้ลามกสหายบาปนะป่าปังเนี่ยโดยนิยมแปลว่าลามก่เราพึงเว้นสหายลามกสหายบาปซะไม่พึงเสพด้วยตนเองซึ่งสหายผู้ชี้บอกความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์อย่าไปคบเลยนะไอ้คนที่ชี้นําแต่ความชีพหายอย่างไงนะผู้ตั้งอยู่ในกรรมอันไม่เสมอ ผู้คล่องอยู่เป็นผู้ประมาทพันเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้นสหายผู้ลาหมกก็คือสหายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐินั่นเองเนี่ยนะผู้เขาบอกว่าอนัตถทัศสีเพราะชี้บอกความชีบหายแม้แก่คนเหล่าอื่นคือตั้งอยู่ในกรรมอันไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะตั้งอยู่ในความชั่วทางกายวาจาและใจกลุ่มบทผู้ใครขประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งพึงเว้นสายผู้ลาหมกนั้น ไม่พึงเสพด้วยตนซึ่งสหายผู้ชี้บอกความชีพหายผู้ตั้งอยู่ในการอรันไม่เสมออธิบายว่าไม่พึงคบด้วยอำนาจของตนด้วยประการชนีถ้าตกอยู่ในอำนาจของคนอื่นไซตตนเองอาจจะทำอะไรได้เล่าเพราะถ้าหากว่าเราไปมีคนเลวขนาดนี้เป็นผู้นำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าคนเลวแบบนี้มีอำนาจแล้วจะทำอะไรได้อย่างบางบางคนครอบครัวเนี่ยนะให้คนมิจฉาทิฐิเป็นผู้นำแต้องได้จะได้บุญได้กุศลไหมบอกยาก เพราะฉะนั้นก็ในนิเทศภาษาริบุตรอธิบายว่าคําว่าสหายชั่วสหายชั่วก็คือสหายที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมีวัตถุศิษฐ์บอกว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลให้ทําไมเสียข้าวเสียของเปล่าๆไม่มีประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสหายชั่วแล้วนะเพื่อนชั่วบ่แม้กระทั่งการบูชาการต้อนรับการเชื้อเชิญไม่มีผลนะนีย วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทําไม่มีทําแล้วก็แ ล, กวกแล้วกันไปทําชั่วก็แล้วกันไปทําดีก็แล้วแล้วกันไปมันมีแต่แล้วไปแล้วไปไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเห็น <ide> ไม่เห็นเหลืออะไรเลยดีชั่วที่ทําไปมันก็ไม่เห็นตอนเนี้ยมันมีอะไรเหลือบ้างไม่มีเนี่ยนะอะไรพวกนี้ฟังแล้วปกตินะถ้าธาตุเดียวกันฟังแล้ว เ, เห็นด้วยเลยใช่ถ้าเออใช่คือตอนนี้มันก็เห็นเหลืออะไรบุญทําก็ทําไปหมดแล้วสิ้นตังค์ไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราคดโกงเราก็ได้ของมาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีเสียหายอะไร เป็นต้นเรียกว่าพวกนี้เป็นสหายชั่วอ้ยสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีรักไอ้บ้านที่มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดเพราะการผสมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันเจริญขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วมันก็จบกันชีวิตอยู่แค่ที่เท่าห้องกนันทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ไม่มีประโยชน์หมายคก็ว่าถ้าเราจะทําลายพ่อแม่ก็ไม่บาปทาดีกับพ่อแม่ก็ไม่ได้บุญ เทวดาผีสางเทวดามีที่ไหนเหรมีโรคพรหมโลกไม่มีในที่สุดสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยความรู้ยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ก็ไม่มีในโลกบอกพระพุทธเจ้าไม่มีก็มีต่างชาติกลุ่มต่างชาติเข้ามาจา้างนักวิชาการเมืองไครให้ไปทําวิจัยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงในโลก น, น, นะนะก็มีคณะนักวิจัยก็สํำรวจทําวิจัยเรียบร้อยแล้ว รุ่นเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่ารุ่นล้านเหลนต่อไปนี่มาอ่านหนังสือกลุ่ม ง, งานวิจัยเราเนี่บอกเออใช่เลยนี่ไหม น, นะก็มี น, นะมีทุกอย่าง น, นะสมัยนีย้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะาวิจัยเขาก็กลุ่มสถาบันนึงก็ออกมาวิจัยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกเขาวานเนี่ยนะอ๋อ ต่อไปเนี่ยนะคนข่าวทั้งหลายก็อยากจะเชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะก็จะได้ไม่เลื่อมสายสักทีหนึ่งจะได้หมดความเลื่อมใสายแล้วก็คนที่อยู่ภายในก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ข่าวร้ายๆออกมาบ่อยๆก็มีคนออกมาปฏิเสธว่าไม่มีจริงเข้าก็เข้าทางเป๊ะเลยเรียบร้อยคือคืออยากจะเล่าให้ฟังว่ายังไงาศาสนาก็หมดพรามันช่วยกันคนละไม้คนละมือขนาดนี้จะไปเหลือได้ยังไงเนี่ยนะรวมสกรมกันขนาดนี้ไม่เหลือโรคเลยนะอ่ะแล้วของเราทําตัวเฉยๆนี่มันก็ทําลายเหมือนกันนะ อา้าวก็เราไม่รู้จักคําสอนนี่เราก็ทําลายคําสอนจากใจเราเรียบร้อยแล้วละ่ะเพราะใจเราไม่มีคําสอนก็ทําลายคําสอนเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปว่าใครเลยเราก็เหมือนกันนั่นแหละดูก่อนผู้เป็นเช่นเราเอาตังกันตรงไหนเช้าสายบ่ายค่ำหรือวันวันหนึ่งถ้าไม่เรียบเจริญกุศล น, นี่ตายฟรีแนะ่ <c oughs> คำว่าสหายผู้ไม่เห็นประโยชน์เนี่ยนะเพื่อนชั่วช้าเลวร้ายขนาดนั้นสหายผู้ไม่เห็นประโยชน์ไม่รู้ผลแห่งดีชั่วไม่รู้ผลบุญเป็นต้นเนี่ยนะห่างได้ห่างเธอไกลได้ไกลเธอะเพราะอะไรเพราะสหายผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยยิ่งห่างให้มากๆเลยคือผู้ตั้งอยู่ในความชั่วทางกายที่ไม่สม่ำเสมอความชั่วทางวาจาที่ไม่สม่ำเสมอความชัว่วทางใจที่ไม่สม่ำเสมอเช่นอะไรปานาติบาตไม่สม่ำเสมออธินนาทานการเมสุมิฉาจารมุสาวาท โกหกสอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้ออภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิในสังขารอันไม่เสมอผู้ตั้งอยู่คล่องอยู่แอบอยู่เข้าถึงติดใจน้อมใจไปในเบญจากามคุณอันไม่สมำเสมอบุคคลที่ทุจริตด้วยกายวาจาใจล่วงอากุศลกรรมบท10ประการติดคล่องในกามทั้งหลายผู้เหล่านี้เรียก ว, ว่าไม่เห็นประโยชน์ตั้งอยู่ในธรรมที่ไม่สมำเสมอ แล้วก็เป็นผู้ที่สแสวงหาสแสวงหาอะไรก็คือสแสวงหากรรมถ้าเราได้พวกผู้สแสวงหากรรมนี่ห่างได้ก็ดีเพราะว่ายากที่จะที่จะพ้นทุกข์อ่ะนะบอกว่าผู้ใดย่อมสแสวงหาส่อหาค้นหากรรมผู้ประพฤติอยู่ในการมมากมา ก, มากอยู่ในการมหนักอยู่ในการมเอ็งไปในการมอูนไปในกรรมอ่อนไปในการมน้อมใจในการมมุ่งกรรมเป็นใหญ่เรียกว่าผู้ขวนขว้าในการม เมื่อไรจะใช้แบบนี้แต่เปลี่ยนเป็นอริยสัจใช่ไหมค้นหาอริยสัจประพฤติอยู่ในอริยสัจอยากจะรู้อริยสัจหนักในอริยสัจเอ็นไปหาอริยสัจโอนไปหาอริยสัจอ่อนไปหาธรมอริยสัจน้อมไปในอริยสัจมุ่งอริยสัจเป็นใหญ่เมื่อไร่จะเป็นแบบนี้เลยนะเปลี่ยนไปเป็นอริยสัจแทนที่เราพฤติกรรมอันเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนความประสงค์ว่ากันเปลี่ยนไปเป็นพระนิพพานแทนเนี่ยจะดีขนาดไหน แต่พวกที่ปรารถนาการก็เสาะหารูปได้รูปบริโภครูปด้วยสามารถแห่งตันหาประพืชอยู่ในรูปมักมากในรูปหนักอยู่ในรูปเอ็นไปในรูปโอนไปในรูปอ่อนไปในรูปน้อมใจไปในรูปมุ่งรูปเป็นใหญ่ผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ขวนขวายกามหาแต่สีหาเสียงหากลิ่นหารถหาโพธพภะได้โพธพภะบริโภคโพธพระด้วยสามารถแห่งตันหา ก็ไม่ได้คิดเอาไปทํากุศลอะไรหรอกประพื่อหนักอยู่ในโพธาภามมากๆอยู่ในโพธาภะหนักอยู่ในโพธพภะเอ็นไปในโพธพภะโอนไปในโพธพภะอ่อนไปในโพธาภะน้อมใจไปในโพธพภะมุ่งโพธาภะเป็นใหญ่ผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ขวนขวายในกามบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าเป็นคนที่ประมาทพลประมาทคืออะไรก็คือปล่อยจิตปล่อยจิตไปในกายยัตุจริตเรียกว่าเปิดใจเต็มที่ในการทําความชั่วด้วยกายวาจาและ ใจปล่อยใจไปเต็มที่ในรูปเสียงกลิ่นรสโราพธิภพะหรือเวลาทํากุศลก็ทําแบบไม่เอื้อเฟื้อทําแบบสักใบทีไม่ทําเนืองๆทําเลิกๆเลิกๆทำๆเนี่ยนะหมายความว่าเลิกๆเลิกๆทำซะหน่อยแล้วก็เลิกๆเลิอ ก, ล อ, ก, ล อ, กอะไรแบบนี้ประพฤติย่อหย่อนปลงฉันทะทอดธุระทอดธุระก็คือไม่เอามาเป็นธุระเลยไม่เสพไม่เจริญไม่ทําให้มากไม่ตั้งใจไม่ประกอบเนืองๆในการบําเพ็ญธรรมะฝ่ายกุศล เป็นคนที่ประมาทกิริยาที่ประมาทความเป็นผู้ประมาทเห็นปัานนี้เรียกว่าคนประมาทคนประมาทก็คือคิดว่าคงกลุ่มที่ตายไม่เป็นนะคิดว่าตัวเองไม่ตายคำว่าไม่ควรเสพผู้ขวนขวายและคนประมาทด้วยตนเองแปลว่าไม่ควรเสพไม่ควรอาศัยไม่ควรร่วมไม่ควรซ่องเสพไม่ควรเอื้อเฟื้อประพฤติไม่ควรเต็มใจประพฤติไม่ควรสมาทานประพฤติกะคนผู้ขวนขวายและคนประมาท แปลภาษาไทยว่าห่างได้ห่างก็ดีเนี่ยนะรอยโยต์พันโยต์ห่างได้วิเศษจะได้พ้นทุกเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะดูเหมือนดีในตอนต้นแต่ว่ามันเดือดร้อนในตอนปลายสมมตินะถ้าคิดง่ายๆว่าการเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ก็คือคนหลอกลวงเราเอาไปประหาร แท้แค่ประหารแค่ตัดคอก็ไม่น่าหนักใจเท่าไหรมันถูกประหารอีกกี่พบกี่ชาติฉันใดการครบกับเพื่อนชั่วเพื่อนเลวสหายเลวก็เหมือนกันเราจะต้องตายอีกกี่พบกี่ชาติเนาะต้องไปหลังน้ําตาอีกกี่พบกี่ชาติเนอะเราจะต้องไปเสียน้าตา ม, มากกว่าน้ําทะเลอีกหรือเราจะต้องไปเสียเลือดมากกว่าน้ําทะเลอีกหรือเราจะต้องไปเหงื่อท่วมเดือดร้อนมากกว่าน้ำทะเลอีกหรือนั้นสังสารวัตรเนี่ยมันไกลแบบนั้นเนี่ยนั้นถ้าเราไม่ห่างคนเหล่านั้นยากที่จะพ้นทุกข์ หรือว่าเราไม่ปรักหรือว่าเราไม่ต้องการความสุขอนะนะเครีทว่าทอดอะไรในความสุขได้ก็ตามใจกันแล้วกันขอให้ตามทางคนเหล่านั้นอนะขอให้เพ่งประสบความสุขบ้างเป็นครั้งคราวอนยะ่างนั้นแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วบุคคลที่คบคนผ่านทั้งหลายยากที่จะได้ประสบสุขอย่างที่ว่าเนี่ยนะในโลกนี้จริงๆแล้วผู้ที่สุขมากหรือ ทุกมากนี่นี่ก็โลกในสมัยที่ค่อนข้างเพียบพร้อมแบบนี้นะแต่ถามว่ายุคต่อตไปวัตถุดิบของโลกมันเผาพลานหมดเกือบหมดไปเนี่ยนะเช่นน้ํามันสูบเอามาใช้หมดพลังงานเอามาใช้หมดวัตถุดิบป่าไม้เป็นต้นมันหมดทุกอย่างหมดหมดมดหมดอะไรจะเกิดขึ้นเดือดร้อนกันหมดเลเมื่อเดือดร้อนกันหมดแล้วจะอยู่ในสภาพไหนกันเนี่ยมิกสันยีจะไปไหนเนี่ยนะเข็นฆ่ากันล่างบางเลยแหละ แล้วก็เพราะถ้าเราคบบุคคลที่ประมาทเนี่ยนะชีวิตของเราในที่สุดก็ปกติก็ประมาทอยู่แล้วไปคบคนที่ประมาทแล้วก็ฟังแต่คนที่ประมาทพูดคุยกับคนประมาทใช้ชีวิตอยู่กับคนประมาทในที่สุดเราก็เรามาบอกว่ายังไงก็เจริญกรุณาให้ตัวเองบ้างเถอะเอ้ากรุณาแล้วอะไรขอให้เราพ้นทุกข์ขอให้เราพ้นทุกข์เพราะยังไงมันก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่แล้วนะสงสารตัวเองบ้างเถอะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะ แต่ทุกแค่ชาตินี่ของมาว่าชาตินี้ไม่น่าหนักใจหรอกมันเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญกันขนาดนี้ไม่น่าหนักใจแต่ชาติหน้านี่สิถ้ชาติหน้าก็ไม่น่าห่วงว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมชาติหน้าก็น่าจะไปดีไอชาติเลยไม่มีพระพุทธเจ้าไปแล้วจะทําไงดีเพราะพระพุทธเจ้าจะห่างเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเราห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยไปเรื่อยไเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าต้นตหน่อยตอนเหลือก็ปลายปลายปลายปลายแล้วก็แผ่วไปเรื่อย มันถ้าเกาะพระรัตนะตายไว้ไม่ดีนี่ก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยห่างทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้ใจชนิดไหนจะเข้ามาแทนที่เนี่ยนะนะมันถ้าเราห่างบัณฑิตทั้งหลายคนไหนจะเข้ามาแทนที่ละ่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเชื่อเหอไม่ยอมเหงาอยู่คนเดียวหรอกถามว่าถ้าไม่ยอมเหงาอยู่คนเดียวคบใครล่ะคะเนี้ยนะผู้ทางสารานังคัาชามีคิดถึงอย่างนี้หรือเปล่าใครอย่างนี้ก็ใคอย่างชั่วนะนะคิดเวลาถาม เชื่อแล้วล่ะถามทีก็คิดที